เป็นช่วโมงที่จะได้ฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาและจะได้รั้งสมาธิควกคู่กันไปด้วยความจริงเรื่องการบรรยายธรรมะเราฟังธรรมะนี่เราฟังกันมาตั้งเยอะแยะแล้ว ที่ใมันก็เรื่องกายตับใจเพราะกายตับใจนี่เป็นธรรมะเป็นธรรมะภายในตัวของเราและเป็นที่เกิดของธรรมะอันเป็นสถานการณ์ในสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเราจะได้ประสบด้วยตาหูจมูกเล่นกายและใจ เมื่อได้ไรตบกับธรรมะมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วอาศัยอำนาจของกิเลสอาจมิมานะการถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถือว่าของเราของเขาก็เกิดอาหังการว่ามังการขึ้นมา เป็นเหตุให้เกิดขัดแย้งและทะเละวิวาทซึ่งกันและกันขาดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นไปตามวิสัยสามันทนซึ่งเป็นไปตามกระแสโลกแห่งไปเป็นไปตามกระแสแห่งโลกกระทำกฎทานจริงของสังคม อยู่ที่ความมีลาภเ่อมลาภมียศเสื่อมยศสันสินินธาทุกอันนี้เป็นกฎของสังคมที่เป็นอยู่ในโลกนี้คนเราต้องการความมีลาภต้องการความมียศต้องการสันสินต้องการความสุข อัจ น, นี่เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์แต่เกลียดความเสื่อมลาบเ่อมยศนินาทาพกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบสันเสริญในเกลียดนินทาทางทางที่เราก็เกลียดเต็มประดานั่นแหละแต่ก็อดนินทาคนอื่นเขาไม่ได้ จึงกลายเป็นผู้ไม่มีความเที่ยงถรมจิตใจไม่เป็นกลางยังวันไหวต่อโลกกระทำเมื่อฝ่ายดีมาบรรจบเขา้าดีอกดีใจจนล้นเหลือถึงกับร้องไห้ร้องห่มส่วนใดที่ไม่พอใจมาประศบเขา้าเสียใจจนร้องไห้ร้องห่มเหมือนกัน ดังที่คำโบราณฉันว่าคนเรานี่ดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เพราะใจมันยังไม่เป็นกลางอันนี้เป็นกฎธรรมชาติของสังคมของโลกกฎธรรมชาติของสภาวธรรมกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อใครไปยึดสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดครองโดยไปแย่งกรรมสิทธิ์หรือไปขัดฝางแนวทางที่เขาจะเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติ เมื่อขาดควางไม่อยู่ข้ามไม่อยู่เกิดความกระทบกระเทือนใจบางทีห้ามได้ก็ดีใจบางทีห้ามไม่ได้ก็กระทบกระเทือนใจในเมื่อเกิดความกระทบกระเทือนใจอะไรมันเกิดขึ้นดีมันก็กระเทือนเสียมันก็กเทือน สวนดีเพื่อประพบเข้าแล้วทำให้ใจมันคูขึ้นสูงขึ้นจนลืมตัวถ้าลองตัวถ้าเจอถ้ายานซึ่งท่านเรียกว่าตัณหาความพอใจใกล้ในสิ่งที่เราชอบใจเป็นกามมตัญหาพอยุดก็เป็นภาวะตัณหาความไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ชอบ เป็นวิภาวะตันหาเมื่อประสบแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยวพอแท่เหนื่อย่ายถึงขัดเบื่อชีวิตไปกินยาตายก็มีสมสีไปในสิ่งเหล่านี้ร้อยเหตุว่าเราไปขัดขวางสิ่งที่เราขัดไม่ได้ในเมื่อขัดไม่ได้พลังของเราไม่เพียงพอ เราก็ต้องหงายหลังหรือมิฉะนั้นก็ต้องผูกสิ่งเหล่านั้นมันกระแท ก, กจนแหลกละเอียดยับเยินไปอันนีจังทวกขังอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติสภาวธรรมที่จะเป็นไปเช่นนั้นพวกขังอริยสัจจังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจัง ท, โโ ท, รรทุกขะนิโรทอริยสัจจังทุกขะนิโลธาคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจงทุกขังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจงเป็นความจริงที่มันปรากฏการขึ้นแล้วทำให้เราเกิดทุกข์ใจ ปัญหาความถ้าเยอท้ายานตามตัญหาภวะตัญหาถ้าเยอท้ายานไปไม่สมหวังเกิดทุกทุกใจที่เกิดขึ้นคือทุกอริยสัจอันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏแก่เราทุกลมหายใจในขณะใดที่สติปัญญาของเรายัางอ่อน ก็ต้องคูโดนโทกที่เกิดเพราะการมทันหาภาวะัหาวิภาวะทันหาย่ำยีอยู่ตลอดกาลนี่คือความจริงที่เราประสบอยู่อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันขณะใดที่เราสามารถฝึกอบรมจิตใจก็เราให้มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นตัวปกติเด่นชัดอยู่ภายในจิต เมื่อสิ่งได้เกิดขึ้นรู้โลแล้วรู้จักปล่อยวางมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎแห่งธรรมชาติคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาปล่อยวางจิตเป็นกลางโดยปกติเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมสิ่งได้เกิดขึ้นดับไปภายในจิต แต่แต่ว่ารับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยคามที่จิตมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งสามารถปรุงจิตให้มีพลังงานดำรงตัวเด่นอยู่โดยคามเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นนิโรธะธรรมชาติของจริงฝ่ายคุณธรรม ที่เราปฏิบัติถึงย่อมปลากฏเด่นทัดสุดาเมื่อจิตเป็นปกติไม่ไหว ว, ไไห ว, วันไม่หววันไว้ต่อสิเลตแต่อารมณ์เมื่อความปกติรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนน้ำในท้องทะเลหรือน้ำในขันในสุ่มที่ไม่กระเพื่อม มีแต่นิ่งปลาจาาคลื่นฟองแม่น้ำจะลึกแสนลึกแต่เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในใต้ท้องทะเลหรือก้นตุ่มก้นขันได้อย่างถนัดแม่จะมองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ำมันนิ่งไม่กระเพื่อม เมื่อจิตของเราเป็นปกตินิ่งไม่กระเพื่อมรู้ตื่นเบิกบานอยู่เป็นปกติเราก็สามารถมองเห็นสภาพความจริงภายในจิตเปรียนเหมือนมองเห็นเงาหน้าของตัวเองนอกจากจะมองเห็นเงาหน้าของตัวเองแล้วยังมองเห็นท่อ ง, องทางที่จะดำเนินชีวิตไป เพื่อปฏิบัติจำเนินชีวิตไปสู่แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือการพทุกซึ่งเรียกว่ามรรคปฏิปทาย่อมปราบฏเต็นชัดขึ้นนี่คือกฎธรรมชาติฝ่ายดีซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมแล้ว การปฏิบัติธรรมนี่ต้องพยายามปรุงแต่งกายวาจาให้เป็นศีลโดยเจตนาในเบื้องต้นก่อนแล้วพยายามฝึกหัดจิตให้มีความมั่นคงเป็นปกติสามารถสร้างความเป็นปกติจิตขึ้นมาได้กลายเป็นศีลใจ ได้เมื่อศสียนใจบังเกิดขึ้นเสีนกายศสีลนวาจาก็ลอยเป็นปกติไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องสร้างเจตนาควบคุมและบังคับใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราอบรมมาหรือการความดีบุญกุศลที่เราทำมาแม้แต่เรื่องของการให้ทาน ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งให้เกิดพลังสมาธิเพราะทานเป็นบารมีส่วนหนึ่งศีนก็เป็นบารมีส่วนหนึ่งจะแยกกันไม่ออกบารมีทั้งหลายเหล่านั้นย่อมรวมพลังกันสามารถเป็นปุญญาที่สังขารลงแต่งจิตใจของผู้ประเพิปฏิบัติผู้ทรรม ให้ดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องเพราะอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นักภาวนาที่ไม่ค่อยได้ผล เหลือเกดสงบลงไปแล้วไปนิ่งเซื่อเสอยู่เฉยๆไม่มีน้ำมีนวนเพราะศีลไม่บริสุทธิ์้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ให้รีบพิจารณาศีลของตัวเองถ้าหากเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรตั้งแต่ปริมนพลที่เราบัพพชาอุปสมบทมาถึงปัจจุบันนี้ เราได้ละเมิดสิขาบทที่ไหนข้อไหนและมีความตื้นลึกหนาบางและเบาหนักเทียงใดแค่ไหนและควรจะประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระโทษนั้นอย่างไรในเมื่อตรวจไม่พบความผิดของตัวเองก็ทำความภูมิใจว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้ว บริสุทธิ์ทางเมสีลังบริสุทธิ์ทางเมสีลังบริสุทธิ์ทางเมสีหลังอธิษฐานจิตว่าศี้นของเราบริสุทธิ์แล้วศี้นของเราบริสุทธิ์แล้วศี้นของเราบริสุทธิ์แล้ว<แค>เพื่อยังติและความสุขให้เกิดที่จิตเพราะพลังแห่งศี้ที่บริสุทธิ์นั้นหาหาเป็นเครือหัด ก็ให้ตรวจดูสีห้าสีแปดหรือบางทีอาจจะสีสิดที่เราตั้งใจสมาทานตรวจดูตั้งแต่ปริมณฑล ท, ที่เราได้ตั้งใจสมาทานสีลหรือรับสีปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเรามีความขาดตกบกพร่องและได้ละเมิดสิขาบทวินัยสีลข้อใด ถ้าตรวจพบแล้วก็พึงตั้งเจตนางดเว้นแม้จะงดเว้นด้วยตนเองอธิษฐานจิตว่าเราขอสมท า, านศีนก้อนี้ซึ่งขาดไปแล้วแล้วก็ตั้งเจตนารักษาไปศีนก็กลับคืนมาสู่ความบริสุทธิ์อีกหรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจเราเป็นนึกเอาเองตั้งใจเอาเอง ไม่แน่ใจไม่สมบูรณ์เพียงขอจะไปขอสมาทานกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นพระเป็นเด น, ในก็แล้วแต่สะดวกแต่ก็ไม่จำเป็นอธิษฐานจิตแล้วก็ตรวจดู ว, ว่าศีลเราบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วทำความภูมิใจทำใจให้เกิดมีปีติและความสุข เมื่อศีลของเราบริสุทธิ์สะอาดดีทั้งผู้ที่เป็นลักบัวทั้งที่เป็นคารวะแม้เราปฏิบัติสมาธิภาวนาลงไปสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยจิตสงบลงไปแล้วมีปีติตมีความสุขมีความเยือเกเยน็น มิจฉาสมาธิเข้ามาแทรกไม่ได้แม้แต่จิตใจสงบสว่างลงไปแล้วมองเห็นภาพใิมิจต่างๆผู้ภาวดาเพราะอาศัยศีลเป็นหลักสร้านความปลอดภัยจะไม่เข้าปัจจัยผิดในใมิลฉานั้ น, น, น โดยที่ไม่สำคัญว่านิมิตนั้นเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่จะมาช่วยจนบรรดาลจิตใจของเราให้ได้สมาธิได้ทานได้ญาณเราจะมีความรู้สึกได้สติสัมปชัญญะว่าภายในจิตของเรามีแต่คุ ณ, ณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจา้า เธอผู้รู้มีแต่คุณะธรรมที่ทําคนให้เป็นพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีมีแต่คณพระอริยสงฆ์ที่ทําคนให้เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติทอบเป็นประสงค์คือสุ ป, ปฏิปันโนอุปฏิปัจโจยายาปฏิปันโนสามีติปฏิปันโน เมื่อเป็นเช่นนั้นวิถีเิตของผู้ภาวนาก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจา้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นคุณธรรมเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตมมนแต่หากเป็นคุณธรรมเกิดเึ้นประจิตของผู้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาโดยถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะหายข้อค้องใจสงสัยในการปฏิบัติเมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงไปเห็นนิมิตต่างๆเพราะศีลบริสุทธิ์เราจรึงไม่เข้าใจจิดใ น, นมิตนั้ น, น, น แม้จะเป็นนเมตโลภาพผู้พิเศษตามที่เราเข้าใจหรือใครๆอาจชักจูงให้เราเข้าใจผิดเราจะไม่เข้าใจผิดจะเข้าใจว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นไปเพียงอารมณ์จิต เป็นในเมตโผฏีธิศาเทวดาอินผมยมมายักษ์ทั้งหลายก็ดีเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นแม้แต่ความคิดว่าวิญญาณจะมาขอส่วนบุญส่วนปุสนผู้ภาวดามีศีลบริสุทธิ์แล้วจะนึกเพียงแค่ว่านี่คือมโนภาพที่จิตของเราปลุงแต่งขึ้นมา แล้วจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่หลงยึดในสิ่งนั้นๆการภาวนาเห็นภาพนิมิตต่างๆนี่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอหรือรู้ไม่ทันอันตรายเมื่อเราไปเข้าใจติดว่านิมิตนั้นๆ ภาพนั้นเป็นภาพท่านผู้วิเศษหรือเป็นผู้วิเศษทั้งหลายสเสด็จมาจะมาช่วยสมาธิช่วยญาณของเราช่วยฌานของเราให้ดีวิเศษยิ่งขึ้นแล้วเราเผลอเป็นน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตในใจของเราถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วเราจะกลายเป็นคนสุข ถ้าใครเคยเป็นเคยปฏิบัติอย่างนั้นลองสังเกตดูทีีิว่าขณะจิตสงบลงไปสว่างมีตีตีมีฟานสุขและมีความสงบแต่ยังบริกรรมภาวนากายยังปรากฏอยู่แสงสว่างยังทอดออกไปข้างนอกมองเห็นภาพนิมิตต่างๆ เพียงใจเห็นรู้สึกตายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบนอกจากนั้นยังมีปิติมีความสุขจิตปลอดโลงเบิกบานอย่างเต็นที่จริงไหมสังเกตดูให้ดีจิตสงบนิ่งสว่างมีปิติ ม, ม, มีความสุขมีความเป็นหนึ่ง สบายไม่กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบรงู้เตือนเบิกบานปลอดโล่งดีหายใจก็คล่องบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจแต่อยู่ได้ใจไม่ขาดแต่เมื่อมีภาพนิมิตขึ้นมาในอันดับต่อไปนั้น ถ้าจิตกำหนดลูภากนเมตอยู่เฉยๆปลอดลงสบายไหมยังปลอดลงสบายจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายมากเอาถ้าเธอไปนึกว่าภาพในเมตส์นั้นจะเป็นโลกเราพุทธเจ้าก็ตามระสาวกก็ตามใครก็ตาม ตอนที่เรารู้ดูเห็นอยู่เฉยๆเขายังไม่กล่าวเข้ามาเหยียบในหัวใจเราหัวใจเรารู้สึกเบาสบายปลอดโปรง่งเบิกบานมีปิติมีความสุขถ้าเราเนึกว่าอออผู้วิเศษจะมาช่วยจิตช่วยใจของเราให้ได้สมาธิให้ได้ทานให้ได้ญาณอันวิเศษ ให้ได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจจะมานำเราไปสู่พระนิพพานได้ไง่ายๆพอเราน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาภาพในเมตี่มองเห็นอยู่ต่อหน้าจะเคลื่อนย้ายดาเนินเข้ามาเข้ามาประคิดตัวเราทำให้เรารู้สึกชาตามตัวพอหายชานิดหน่อย ก็รู้สึกว่าจิตของเราเปลี่ยนสภาพไปทันทีรู้ตื่นเบิกบานปลอดโปร่งในเบื้องตน้นหายไปหมดมีแต่ความอึดอัดความแน่นในจิตในใจความหนักหน่วงในร่างกายเข้ามาแทนที่ต่อ น, นั้นเราไม่เป็นตัวก็ตัวแล้ว ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของตัวเองแต่มีอำนาจสิ่งหนึ่งเข้ามาแทกสิงคอยบีบบังคับให้เป็นไปเป็นไปด้วยความแสนยากลำบากเป็นไปด้วยความหนักหน่วงเน็ดเนอยอย่างเต็มที่ความรู้สึกในกายในใจหัวใจเหมือนกับถูกบีบร่างกายหนักหน่วงเปรียบเหมือนมีสิ่งมาทับให้หนัก ที่เป็นเท่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งมาประทับส่งที่กายที่ใจของเราจึงทำให้เราหมดสมัรถภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นโูกภาคเทวดาเข้ามาสิงสู่ในตัวของเรา เราก็ไปรับเอาศาสตร์ศาเทพระเจ้าเข้ามาแล้วธานิมิต ท, ที่มองเห็นเราสำคัญว่าเป็นพระพรหมเมื่อพระพรหมเข้ามาอยู่ในตัวเราก็กลายเป็นศาสตรสนาพระพรหมถ้าหากเป็นผู้ผีปีศาจหรือผู้ยิ่งใหญ่พญามารทั้งหลายเช่นอย่างมารมลังฟานพระโพธิเจ้าเมื่อพระองค์จะตรัสรู้ ถ้าเรารับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเราก็เอาศาสต า, ามานมาไว้ที่หัวใจของเราในตตรงนี้ตรงเรื่องนิมิตนิมิตนี่ระวังระวังให้ดีถ้าเราเข้าใจผิดในนิมิตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นแล้วไปยึดเอานิมิตเป็นสาระสำคัญเราจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นทันที ในตคื อ, อันตรายของนักปฏิบัติที่เราขวดระมัดระวังอย่างยิ่งดังนั้นการภาวนาในหลักของสมถะและวิปัสสนานั้นเราจะยึดเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารเอาอาตาหิอัตโนดาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยัตตานังเตือนตนด้วยตนเอง อัตาธิปะอตาตะสารณามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่ตึ่งปูกภาวนาธรรมจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิตัางแต่ั่านคณิตสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเมื่อสมาธิช่วงใดที่สมาธิเกิดขึ้นโดยลำพัง หรือโดยสมรรถภาพของจิตซึ่งอาศัยอารมณ์สิ่งรู้แล้วก็มีสติและเลึกอยู่กับสิ่งนั้นสามารถฝึกฝนอบรมสติสัมประชนะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยอิสระ โดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ข่มจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยจิตให้เกิดมีสมาธิและจิตของเราก็ไม่ได้ถูกสะกดให้สงบเป็นสมาธิแต่หากเป็นสมาธิโดยที่จิตมีสมรชาภาพสร้างพลังตัวเองขึ้นมาให้เกิดความสงบเป็นสมาธิ ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิโดยอิสระโดยไม่มีใครช่วยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ละธรรมก็ช่วยไม่ได้พระสง์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าหากใครเลืกว่าพระพุทธาาจเจ้ามาช่วยจิตให้เป็นสมาธิและธรรมมาช่วยจิตให้เป็นสมาธิและสง์มาช่วยจิตให้เป็นสมาธิ พระโพธิ earth, am am am ์เจ้าช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระธรรมช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระสงฆ์ช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระโพธิ์เจ้าช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระธรรมช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระสงฆ์ช่วยจิตให้ถึงนิพพานโดยมีผู้มาบรรดาลให้เราถึงพระนิพพานตามที่เราเข้าใจอันนั่นก็ยังเข้าใจจิต อคขาตาโลจะถาตตาพระพุทธเจ้าเป็นเตียงผู้บอกพระองค์ยืนยันไว้อย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพุิโพเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์พุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งเท่านั้น เพื่อทำจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิกลายเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างสมรชาภาพทางจิตให้เป็นอิสระแก่ตัวเองโดยธรรมชาติเมื่อใครสามารถทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้จิตย่อมเป็นอิสระ ประกอบด้วยพลังงานคือมีวิตกวิจารทีติสุกเอสักฆะต า, าท่านเป็นองค์ประกอบให้จิตมีพลังและเมื่อจิตสงบลงไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายก็เบาจิตก็เบากายก็สงบจิตก็สงบ แม่บางครั้งจิตอาจจะอยู่ในถ้ำกลางแห่งอารมณ์อันละเอียดจิตก็ เ, เอาแต่นิ่งสงบเป็นกลางแต่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งจิตลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแม้จะมีสิ่งโลปรากรอยู่แต่จิตก็ลอยเด่นอยู่ไม่เกาะไม่ติดสิ่งใดๆ นั่นคือจิตที่เป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นตออนั่นคือจิตที่เป็นอัตตสารณามีตนเป็นที่ตึ้นนั่นเป็นจิตที่เป็นอัตนาหอัตโนนาโถจะตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อจิตขยับเกิดจะมีความคิดสติปัญญาขึ้นมาสติทำหน้าที่รู้ทันทันทีโดยอัตโนมัติ ไม่เถอหลงผิดไปว่าผู้วิเศษยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะมาช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นช่วยเองช่วยเราเองอาศัยสมถภาพซึ่งเป็นคุณนธรรมที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานขึ้นมาแล้ว สติสัมพชนญะของเรามีพลังเข้มแข็งกลายเป็นตัวปัญญาสามารถรู้เท่าทันกิเลสและอารมณ์ได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้ว่าจิตดวงนี้จะทอดทิ้งร่างกายไปอยู่ในตัวคนเดียวลอยเด่นอยู่ในถ้ำกลางแห่งนภาศาสแม้เช่นนั้นจิตก็จะไม่หลงไปในทางที่ผิดเพราะอะไร เพราะอาศัยพลังของศีลเป็นเครื่องคุ้มกันและเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นพทธบริษัททั้งหลายโคุ้่งหวังที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุณธรรมกันจ <c oughs> ริงๆศีลเป็นตัวสำคัญศีลเป็นต้นส ม, มจันเพราะฉะนั้นควรที่จะบำรุง โคนต้นคมจันทร์ปืดจะถึงสุภตษิก็ราะศีนศีเลนะโภคสัมปทาจะถึงโกคสมบัติก็ราะศีลสีเลนะนิพพิงยันติจะถึงซึ่งความดักกิเลสตัณหาทั้งหลายก็ราะศีลปัสสาศสีลังวิโสทเยดังนั้นสาธุชนควรํำละศีลให้บริสุทธสา เมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดแล้วสมาธิและปัญญาเอาไว้ก่อนศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจดูว่าจะละทั่วประพฤติดีทําใจให้บริสุทธิ์สะอาดสํารวมในศีลตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เป็นทางเกิดแห่งความดีและความทั่ว เป็นทางเกิดแห่งความผิดและความถูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมีตาก็เป็นตาดีมีหูก็เป็นหูดีมีจมูกก็เป็นจมูกดีมีลิ้นก็ลิ้นดีมีกายก็กายดีมีใจก็ใจดีเพราะสติสัมปชัญญะดีคุ้มกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น แต่สติสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ดีมีพลังอ่อนไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนกคิดและอารมณ์ได้มีตาก็ตาหาเรื่องมีหูก็หูหาเรื่องมีตาโง่ก็หาเรื่องมีเล่นก็หาเรื่องเล่นมันหาเรื่องอย่างไรเขาทํากับข้าวให้ทานก็มันไม่ถูกปากเนะี่ยหาเรื่องมาแล้ว จะได้มีกายสัมผัสก็หาเรื่องนอนไม่ดีก็บน่นนอนจิตที่ก็บน่นเอาเดียนอนไม่รับมันเปลี่ยนที่อันนั้นเรียกว่ามีกายหาเรื่องจะได้มีเจ็บมีใจรับรู้อารมณ์อะไรเอาก็หาเรื่องหาเรื่องจุกจิกให้กับตัวเองใครไม่มาก่อเรื่องก็ก่อเรื่องในตัวเองนั่นแหละสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่หยุดหย่อน ก็หาดสติสัมปชัญญะอย่างเดียวเท่านั้นาะศีลไม่บริสุทธิ์สติสัมปชัญญะจริงปั้นเฟือนเพราะฉะนั้นศีล น, นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทาละให้บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนเมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดดีก็เปรียบเหมือนชายวาจาของเราเป็นพื้นที่ที่ปราดดีแล้วนอกจากจะปราดดีแล้ว อ ย, อย่างแถยางแมน้ำแต่เติมน้ำเติมปุ๋ยลงไปอีกปลูกฝังอะไรลงไปมันก็จะเริญงอกตามดังนั้นก็จึงสมกับคำติระท่านเถว่าบัดนี้จะได้สแสดงธรรมมาเทศนาธรรมตอนของสมเด็จระสำมาจสมพุทธเจ้า ขอให้หยาดโฉมจงตั้งโสดบสาบสัตว์ทองทำกายใจให้เป็นภาตชนะทองลองรับพระธรรมเทศนาก็ามีศีลบริสุทธิ์นั่นเองกายกับใจจึงกลายเป็นภาตชนะทองคอยลองรับพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่กล่ามกลงไปนั่น เปรียบเหมือนสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วถ้าภาช น, นะของของท่านบริสุทธิ์สะอาดถูกขัดฟอให้สะอาดแล้วอะไรลงไปมันก็ยังรงรักษาความสะอาดและบริสุทธิ์เอาไว้ได้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันสกปรกละ่ะของสะอาดๆเข้าไปมันก็ปล่อยสกปรกไปหมดนี่แหละหลักการมันอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> นีขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งว่า อ, อการปฏิบัติสมาธิเนี่อ้ปัญหาต่างๆที่รมันยุ่งยุ่งทำให้เราเกิดสงสัยอยู่ไม่จุดจนก็คือวิธีการปฏิบัติสมาธิวิธีการปฏิบัติสมาธิมีหลายแบบ เฉพาะสมถาวิธีอย่างเดียวมีถึงสี่สิบอย่างและนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีอยู่อีกที่ในเฉพาะวิธีวิปัสสนานี่ก็มีมากมายหลักเกณฑ์ก็ยกเอาถาดเอาขันเอาอายตนะมาพิจรารณาให้เห็นอนิจจงทุกครั้งอนัตตาเพราะวิธีการนีิมันมีหลาย บรรทเข้าทำนองที่ว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมต่างคนต่างมีหนังสือก้อมมันหมายถึงคำทีน้อยๆที่จดมนเอาไว้คนโบราณเขาจานใส่ใบลานเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันไม่ยาวอย่างดีก็แท่คือใครมีมนคาถาอะไรก็บันทึกไปในนั้นละ่ะบันทึกแล้วก็หวนจังการอะไรดี ไม่ยอมให้ใครแตะต้องอันนั้นเขาเรียกว่าหนังสือก้อมมันคนละคาทีมันเป็นคำทีของไสยศาสตร์มันต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างยึดถ้าเราไปเรียนธรรมะเรียนปฏิบัติแบบเรียนไสยศาสตร์เรายุ่งตายยุ่งตายจริงๆ เพราะเราจะประสบปัญหาต่างๆอยู่เสมอว่าการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ถูกอย่างนั้นมันจริงจะถูกเป็นตราใจที่เรายังขัดแย้งยังเสียงกันอยู่จะเป็นใครก็ได้หารคำพูดนี้มันจะเป็นเหตุให้อัสมาต้องตกนรกก็จะขอเป็นลอยจมอไป ดาบน้ำในหม้อนรลกให้มันสบายใจสักหน่อยที่เราเสียงเสียงกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่นั่นเพราะมันมีเหตุอย่างนี้หนึ่งต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่เห็นต่างคนต่างไม่เป็นเจอกันเข้าเสียงกันทันที ประการที่สองฝ่ายหนึ่งรู้ฝ่ายหนึ่งเห็นฝ่ายหนึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นเจอกันเข้าก็เสียงกันขัดคอกันพันธีถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างฝ่ายต่างเห็นต่างฝ่ายต่างเป็นเจอกันแค่เข้าไม่ต้องคุยกันเอากันจะเพียงเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากัน แต่พปมจิตปมใจมันเสมอกันยังสัมผัสรู้กันได้อยู่คนละาภากฟ้าแดนดินยังสามารถส่งใจไปคุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้นั่นสำหรับผู้เป็นคนทั้งหลายที่เสียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือคนไม่เป็นใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามนั่นมันเป็นวิธีการเท่านั้น พธโพธิโพก็เป็นวิธีการยบน้อพองน้อเป็นวิธีการสัมมาอารหังเป็นวิธีการกำหนดลูกนามเป็นวิธีการกำหนดอะไรเป็นวิธีการเพราะวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานี่กฎความจริงที่เรายอมรับก็คือว่าต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ แล้วก็มีสติและเลิกรู้อยู่ในขณะจิตที่สัมผัสรู้อารมณ์นั้นๆนี่จุดมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลิกเสียงกันสติถ้าใครปฏิบัติแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นที่ถูกต้องกันจริงๆเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานห้า องฌานห้ามีวิตกวิจารณปีสิสุเอกัคขะานานและจุดนัดพบของเราอยู่ที่ตรงนั้นใครทําสมาธิที่ถูกต้องแล้วเรามีจุดนัดพบกันที่ตรงนั้นพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีวิตกวิจารณปีสิสุขเอกัคขะากําหนดองฌานได้อย่างถูกต้องแน่นอน เข้าใจในหลักการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีแล้วจุดเสียงกันทนันทีแต่ถ้าหากว่าสมาธิของท่านผู้ใดบริกรรมภาวนาแล้วสีวะสีวะสีวะสีวะเอาพอใจสงบสว่างลบลงไปนิดหน่อยก็สีวะมาเยืนทนโทขอยู่ต่อหน้าน้อมเอาพระสีวะเข้ามาประทับสมนั่นแหละมันจึงจะเสียงหมู่ ไปเอาผีมาเข้าในจิตในใจกลายเป็นศาสนาผีไปแล้วท้าวธรรมจิตสงบเป็นสมาธิลงไปมีวิตกวิจารติสุกเอตัสขานี่มันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสภาวะรู้ตื่นเบิกบานแจม่มใสเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิของพุทธ สมาธิพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะตัวนี้เป็นคุณธรรมที่ทําจิตของคนทุกคนที่ปฏิบัติถึงแล้วให้เป็นพุท ธ, ธะลักษณะจิตเป็นพุท ธ, ธะจิตจะต้องเป็นอิสระเต็มที่ไม่ตกอยู่ในอํานาจสิ่งใดไม่มีใครจะมาช่วยจูงจิตให้ถึงมรรคนิพพานได้แต่หากพลังจิตที่อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วนั่นแหละ จะปฏิวัติตนไปสโ่ภูมิจิตภูมิธรรมจนกร ะ, ระท่งถ้าท่างถึงบรรลุพระนิพพานไปเองดังนั้นสาธุชนทั้งหลายซพ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าไม่มีใครจะมาช่วยจนบรรดาญจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่มีใครช่วยให้เราเกิดปัญญาในสมาธิไม่มีใครมาแบกมาหาม มาปรุงเราไปสู่พระนิพพานแต่มิติจิตของเราซึ่งถูกอบรมให้เกิดคุณธรรมแห่งความเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเป็นตัวปกติอยู่ตลอดเวลาศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คือปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานไม่ปฏิบัติเพื่อเห็นแก่อามิติจ้างรางวัลปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุคุณธรรมคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างคุณธรรมที่ทำบุญคนให้เป็นพระพุทธเจา้าให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แล้วจิตของเราจะปฏิบัติจนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติแต่อย่าลืมว่าศีลต้องเป็นหลักประกันความปลอดภัย ก็จะนั่นศีลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำให้บริสุทธิ์สาเอ่าการบรรยายทาเกือบหนึ่งชั่วโมงพอดีช่วงนี้พักผ่อนสักฆ้านาทีเปลี่ยนอิริยาบถ กับสิ่งนั้นๆในปัจจุบันอดโหเป็นอารมณ์จิตโหนอพองหนอเป็นอารมณ์จิตสัมมาอารหังก็เป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์ให้มีสติรู้อยู่กับจิตในขณะที่มีอารมณ์ในปัจจุบันนั้น เมื่อจิตของเราหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองไม่เป็นเราจรึงเอาคำว่าพุทโูเป็นต้นมาป้อนให้กับจิตยกหนอพองหนอก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิตสามมาอารหังก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิตในเมื่อจิตมันกินอาหารไม่เป็นหาไม่เป็น ต้องจับยัดปากมันป้อนให้มันรู้จักกินเหมือนเหมือนกันแต่เด็กน้อยที่ไม่รู้จักดูดนมไม่รู้จักรับทานอาหารพ่อแม่ก็ต้องป้อนใส่ปากให้ฉันเลยจิตที่ยังไม่มีสมรรถภาพในการที่จะาหาอาหารกินเองหรือเมื่อมีอาหารแล้วไม่มีปัญญาจะกินด้วยตนเองต้องอาศัยคนอื่นป้อน ดังนั้นในขณะที่เราภาวนายังไม่เป็นจิตหาอารมณ์เครื่องโลกเครื่องละเลิกของตนเองไม่เป็นโดยลำพังต้องหามาป้อนให้อารมณ์ที่มาป้อนให้นั้นคือบอริกธรรมภาวนาบอริกธรรมภาวนาคือจิตนึกอยู่ในคำคำเดียวเช่นพูโตโพโตโพโต สัมมาหลหังสัมมาหลหังแล้วก็จบเน้อฟองนออันนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าใครมีความคิดมีสติสัมปชัญญะพอมีพลังงานหน่อยกำหนดรู้จิตของตนเถอดอยู่ ิเขาหาอาหารมาป้อนให้กับตัวเองหาอารมณ์มาป้อนให้กับตัวเองได้เพียงแต่ตั้งใจกำหนดรู้ที่จิตที่ว่างอยู่เท่านั้นความคิดมันจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นแล้วสติรู้เมื่อตั้งใจรู้จิตมันว่างดูที่ความว่างเมื่อมันคิดดูที่ความคิด เมื่อมันว่างดูที่ความว่างตั้งใจดูมันไปอย่างนี้ถ้ามันเคิ็ดเร็วขึ้นเอา้าดูซิมันจะเคิดไปถึงไหนอันนี้ทางปฏิบัติสำหรับผู้คอมีสติสัมปชัญญะบงังแต่ผู้มีสติยังอ่อนให้กำหนดบริตรัรมภาวนาให้หมากมากต่าถ้าใสภาวนาให้ได้สมาธิ ใจได้อุปจาลสมาธิอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้ามันเป็นฐานที่สร้างพลังจิตทําให้จิตมีพลังงานอย่างมหาศาลเมื่อเราต้องการจะคิดค้นพิจารณาอะไรนึกถึงอารมณ์นั่นๆจิตของเราจะไปจับอารมณ์อย่างมั่นคงแล้วทําให้เรารู้ในอารมณ์นั้นอย่างแน่นอนแต่ แ, แกมชัดชี้ศึก จะพิจารณาอะไรมันก็ทัดก็จิตมีพลังงานและอีกอย่างหนึ่งสมาธิเป็นอุบายวิธีระงับนิวร้ากามฉันทะพยาบาทินามิทะกุทะจักุกุจัวิเีกิฐาความคร่ในกามความพยาบาทความปุ้งซ่านลำคาญ ความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหาวนอนถาสมาที่ขัน้นสมาธาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะหายไประงับไปยังเหลือแต่จิตที่มีเตเตมีความสุขมีความปลอดโปร่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะกำหนดอารมณ์อะไรนิวรณ์ไม่ลบปวนเราก็สบายแต่ที่จารณาอะไรก็ปลอดโปร่งเพราะนิวรณ์มันระงับไปแล้ว ืุดประสงค์ของการทำจิตให้มีสมาธิขั้นสมถะก็เพื่อระงับนิวรณ์ทำห้าประการนี้นิวรณ์ห้านี่มันเป็นอุปรสรรคในการปฏิบัติถ้าขณะใดามันเกิดขึ้นมาแล้วปราบมันไม่อยู่ตอนนั้นทำสมาธินี่เอาดีไม่ได้ล้มเหลวทนันทีถ้าพลังของนิวรณ์ห้ามันแรง ที่เรียกว่านิวรก์ก็เพาะมันเป็นนิวารณะคอยปิดสั้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นพอตั้งใจจะเอาดีพักมันจะแย่ทันทีที่แรกมันแย่น้อยๆก่อนทีนี้พอแย่ไปเราก็ดุกระดิกรู้สึกเสียวๆสีข่างมันจะเล่นงานใหญ่เลยทีินด่านกิเลสมันเป็นอย่างนั้น เราะฉะนั้นต้องฝึกสมาธิให้เต็มแข็งได้สมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ทุกขณะที่เราต้องการจะเข้าได้ดันเป็นอุบายตาไว่หวนเมื่อนิวรนมันไม่บรบกวนจิตต่อโงมมีโอกาสกำหนดรู้อารมณ์จิตและจิตของตัวเองด้วยความมีสติสัมปชัญญะแล้วจะเกิดสติปัญญาขึ้น อา้าวดังนั้นตอบไปที่ห้ท่านทั้งหลายจงกำหนดอารมณ์กำหนดอารมณ์ภาวนาตามที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรอย่าเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้พูดเพราะได้พูดแล้วว่าวิธีปฏิบัติจบหนอกว่าดีสามมาละหังกว่าดีพุโทโธเป็นแต่เพียงวิธีการ แม้จะปฏิบัติแบบพิจารณาในภูมิแห่งวิปัสสนาก็เป็นแต่เพียงวิธีการวิธีการดังกล่าวนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิสมาธิที่เระกอบด้องค์วิตกวิจารปีสุขเอสักตานั่นคือจุดนัดพบของนักปฏิบัติเมื่อภูมิจิตเข้าไปถึงขั้นนี้สม่าเสมอกันแล้ว เข้าใจกติไม่ต้องคุยกันก็ได้เพราะฉะนั้นอาตมะขอนัดนักปฏิบัติทั้งหลายให้ไปพบกันที่ปฐมฌานคือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ืคอวิตกวิจารตีสิสุเกัตขจารอาวขอ้ทุ่ท า, า, า, ททานจ่งพยายามเดินทางไปสู่สุนี้ให้ได้ รู้จิตของเราขณะใดเรากำหนดรู้จิตของเราเราจะรู้ว่าจิตของเราว่ารู้ว่าจิตของเรามีอารมณ์รู้ว่ากายของเราจังมีปลากรดอยู่เมื่อตายยังมีปลากรดอยู่ เวทนาปรากรดอยู่สัญญาความทรงจำได้หมาย ร, รู้ปลากรดอยู่สังขารความเชิดกรุงแต่งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็มีอยู่วิน ญ, ญาณความรู้ระหว่างจิตอารมณ์สัมผัสกันก็ยังปลากรดอยู่ เพียงแต่กำหนดรู้จิตเพื่อความตั้งใจเท่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้กายเมทนาสัญญาสังขารอินญาณอยู่ร้อมในขณะจิตเดียวถ้ากำหนดตามแผนของมหาสติปัฏฐาน พอกำหนดรู้จิตัพกายปรากฏเราจะรู้ว่ากายมีอยู่เวทนาปรากฏเรารู้ว่าเวทนามีอยู่ความคิดปรากฏเรารู้ว่าความคิดมีอยู่จิตมีอยู่การทำคือนิวรณปรากฏ ความหงุดหงิดนุงง่งานลำพานซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติก็ยังตาบดูกพรมีตายถ้าหากตายหายไปเวทนาสัญญาสังขารอินญาณ น, นามมาทมส่วนปรุงแต่งหายไปหมดยังแต่นามรู้ ตื่นเบิกบานปลากรุดอยู่ในจิตอย่างเดียวแทนของมหาสติปัฏฐานเมื่อกำหนดรู้จิตกายเวทนาจิตและธรรมก็ยังตาพรุดอยู่เมื่อกายหายไปเวทนาจิตธรรม หายไปหมดยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาสุกขเวทนาหายทุกเวทนาหายยังเหลือแต่เวทนากลางกลางคืออุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์จิตสงบกลายเป็นความเป็นกลางอย่างเตี่ยงต่ำ ในหมวดแห่งการพิจารณาขันท้าก็ดีพิจารณาสติปัฏฐานสีกายเวยทนาจิตธรรมก็ดีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีลักษณะอย่างเดียวกันหมดจิตสงบก็คือสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ก็คือที่ตกวิจารตีจิตุกเอกัคตาสังเกตรูให้ดี ว่านี่ลูกนี่นามก็ตามแต่เราตั้งใจกำหนดอารมณ์จิตลูกลงที่จิตเมื่อเรารู้สึกว่ารูกลาปลดอยูก่ก็เป็นการกำหนดลูกเวทนาเกิดขึ้นลูกก็เป็นการกำหนดเวทนา สัญญาในอดีตมันผุดขึ้นมาก็เป็นการกาหนดรูสัญญาความเจ็บมันปรุงขึ้นในขณะจิตนั่นก็เป็นการกาหนดรูสังขาญติต ส, สัมผัสรูสิ่งใดเกิดความรู้ขึ้นก็เป็นการกาหนดรูวิญญาณ เมืเราตั้งใจกำหนดติดเทียงอย่างเดียวเรารูลว่าลุกเบตนาสัญญาสังขารมีอยู่แต่เมื่อสมาธิยังไม่เกิดสติยังไม่มั่นคงเราก็มองมองดูสิ่งเหล่านี้ใกล้ๆกับว่ามันแยกกันไม่ออกมันมั่วกันไปหมดเมื่อเรากำหนดตัวไปๆสติสัมปชัญญะดีขึ้น มันจะสามารถรู้แล้วก็แยกสิ่งเหล่านี้ออกเป็นคนละส่วนละส่วนได้ตามจังหวะของจิตที่มันจะกาหนดรู้เพราะความรู้ของจิตนี้การําหนดรู้ของจิตจิตรวงเดียวจะกำหนดอารมณ์ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องรู้ทัดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็การสัมผัสทางกายจิตสามารถกาหนดรู้ได้เป็นอย่างร้อนเย็นเข้ามาพร้อมๆกันแต่เข้ากนจุดจิตสามารถกาหนดรู้ได้ว่าตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นเพราะว่าเรื่องของกายจิตเนี่ย มันมีความสัมพันธ์กันจนคล่องตัวจน้ำนิชำนาญเรื่องของกายจิตไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่เขาก็รู้โลเองโดยอัตโนมัติสบายไม่สบายทุกทุกเบื่อจอนวุ่นวายหรือตอดลมไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่จิตเขาจะรู้ก็ขเขาเอง สิ่งที่เรารู้เองเป็นเองนั่นอะเรียกว่าธรรมชาติเรามาปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะสร้างสมาธิสร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติจนสามารถทำจิตในรู้ว่านี่กฎของธรรมชาตินี่กฎของธรรมชาติแม้เราจะไปคัดค้านต้านทานมันอย่างไรมันก็ไม่อยู่หรอก เกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายจะไปกันไม่ให้มันเกิดแก่ไม่ให้มันแก่เจ็บตายเป็นไปไม่ได้เมื่อตายแล้ววิญญาณออกจากร่างมีแต่ร่างกายเปล่าจะไปป้องกันไม่ให้มันเล่ามันก็ป้องกันไม่ได้อย่างที่เขาอาบมัมมี่เอาไว้นั่นมันไม่เน่าเป๊ะก็จริงอยู่แต่มันก็ยังแสดงอาการเน่าอยู่ ก็จะให้ร่างกายผิวหนังมันสดชื่นอยู่อย่างที่ยังไม่ตายนั่นเป็นไปไม่ได้นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติธรรมะอันเป็นจริงโดยธรรมชาติไม่ใช่ของใครชาวพุทธจะไปขี้โกงว่าธรรมะเป็นของเราเป็นของพระพุทธเจา้าเพียงแต่พระองค์เดียว ใครมีกายมีใจผู้นั้นเป็นเจ้าของธรรมะมดแต่ว่าใครจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของตอนเองนั้นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลักและกดเกณฑ์ที่จะมากรองเราดัดแปลงธรรมะที่เรามีอยู่ให้มีสภาพดียิ่งขึ้นนั้นเราเรียนแบบมาจากพระพุทธเจ้าธรรมะส่วนนั้นจึงชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า สลุลงได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักคำสอนและส่วนปรีจ้อยออกไปนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการเอื้อเพื่อเพื่อแผ่การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเชือจุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหลักศีลลธรรมประจำโลกแต่ไหนแต่ไร แล้วก็สงเคราะห์เป็นคำสอนของอพระพุทธเจ้าเหมือนกันเอะเป็นอุบายวิธีการที่จะกลอมเราปรับปรุงกายและใจของเราอันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติให้มีสภาพดียิ่งขึ้นแต่ธรรมะอันเป็นอารมณ์จิตธรรมะอันเป็นสิ่งรู้ของจิตธรรมะ น, น, นั้นไม่มีใครผูกขาด หนังที่เขาขายออกมาก็เป็นธรรมะอันหนึง่งไม่มีใครผูกขาดต่างคนต่างดูได้โลกนี้ก็เปรียบเหมือนเขาแสดงหนังแสดงละครนั่นแหละแต่ละคนเกิดมาเป็นพระเอกนางเอกในตัวต่างคนก็ต่างแสดงละครไปตามบทบาทของตนเป็นสุดแท้แต่ผู้บังคับบัญชาเขาจะ